Depak Chopra on the power of meditation to unlock infinite possibility พลังของการทำสมาธิเพื่อปลดปล่อยความเป็นไปได้ไร้ขีดจำกัดยินดีต้อนรับทุกท่านครับแขกรับเชิญวันนี้เป็นนักเขียนที่ติดอันดับนิวยอร์กไทม์เบสเลอร์หลายต่อหลายครั้งเขาเป็นแพทย์และเป็นผู้นำการเยียวยาแบบองค์รวมและการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลหนึ่งในผู้เป็นที่รู้จักมากที่สุด ในสาขาจิตวิญญาณของมนุษย์เขาเขียนหนังสือที่ยอดเยี่ยมมาแล้วถึง90บเล่มและยังไม่มีทีท่าที่จะหยุดแต่อย่างใดเขาสามารถเขียนหนังสือพร้อมกันหลายเล่มในเวลาเดียวกันได้นอกจากนั้นยังเป็นผู้ที่ก่อตั้งองค์กรไม่สแสวงกำไรที่ชื่อว่า Chopra Foundation ซึ่งทำงานวิจัยอันกว้างขวางเกี่ยวกับสุขภาวะของมนุษย์ทั้งเป็นเจ้าของโชปรา g l o b a l บริษัทเพื่อสุขภาพยุคใหม่ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์อันผสมผสานกับจิตวิญญาณเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านอายุรกรรมและสาธารณาสุขที่มหาวิทยาลัยซานดิเอโกและสอนการทำสมาธิทั่วโลกรวมทั้งมีศูนย์ทำสมาธิของตัวเองเพื่อแสดงวิธีการเข้าถึงในสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนเขาสร้างเวิร์กช็อปเรื่องสมาธิกับโอปราวินฟรี และเคยขึ้นพูดกับท่านดาลาลามะและนักผู้อีกมากมายนับไม่ถ้วนบนโลกโอปราพูดถึงเขาว่าเป็นผู้ชายที่จะพาคุณให้หลงลึกไปถึงวิญญาณของตัวเองเอาละครับขอต้อนรับบุรุษที่นิตยสารไทมยกย่องให้เป็นหนึ่งในหนึ่งสุดยอดฮีโร่และบุคคลต้นแบบแห่งศตวรรษผู้เขียนหนังสือเบสเลอร์เล่มใหม่เมตาฮิวแมนปลดปล่อยความเป็นไปได้ไร้ขีดจากัด หนึ่งเดียวคนนี้ดีปักโชปราดีใจมากๆครับที่คุณมาที่นี่ขอบคุณครับขอบคุณที่เชิญผมมาขอบคุณมากๆครับก่อนอื่นผมโชคดีมากๆที่ได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในผู้ที่คุณใช้การทำสมาธิแบบใช้เสียงของคุณด้วยสมาธิเลยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมไปอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่ผมชื่นชอบในเรื่องราวของคุณก็คือคุณใช้เส้นทางที่แปลกประหลาด ในการมาอยู่ในจุดที่อยู่ในตอนนี้และผมก็อยากที่จะพูดคุยในเรื่องเหล่านั้นด้วยเพราะคุณเองก็เริ่มต้นด้วยการเป็นนายแพทย์เหมือนคนทั่วไปมันเป็นยังไงในตอนที่คุณคิดว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างที่มากกว่านี้ครับตอนแรกผมเรียนอายุรกรรมจนได้รับใบประกาศก่อนต่อมาก็ไปเรียนสิ่งที่เรียกว่าวิทยาการต่อมไร้ท่อ คือการศึกษาเรื่องฮอร์โมนและความสัมพันธ์ระหว่างต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนซึ่งที่จริงมันก็คือสารเคมีในสมองนั่นเองตอนทอี่เรียนเรื่องนี้ประมาณกลางปี70มีเทคนิคใหม่ที่เรียกว่าการหาปริมาณสารต่างๆในสิ่งตรวจพึงได้ถูกสร้างขึ้นและเทคนิคนี้ก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเทศสกรซึ่งโลซาีเยนโลก็คือนักวิทยาศาสตร์ท่านนั้น นั่นเป็นครั้งแรกที่คุณสามารถตรวจวัดสารเคมีที่เรียกว่าเปปไทด์ซึ่งเป็นสารโพลิเมอร์ของกรดอะมิโนที่เชื่อมต่อกันในสมองสิ่งที่ผมรู้ทันทีด้วยความช่วยเหลือของเพื่อร่วมงานก็คือสารเคมีในสมองเป็นเงื่อนงำที่นำไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นภายในและสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของคุณสารเคมีพวกนี้เรียกว่านิวโรเปปไทด์ นิวโรหมายถึงในสมองส่วนเป๊ปไถยก็คือโปรโตีนของมันและที่จริงแล้วพวกมันก็คือโมเลกุลของอารมณ์นั่นเองสารเคมีชื่อเซโรโทนินโดพามีนออกซิโทโซินนั้นเป็นเหมือนฟินในยุคนี้บางคนเสพติดฟินแต่รู้ไหมตัวคุณเองก็สร้างฟินได้ในสมองด้วยดังนั้นที่จริงเมื่อดูพวกสารเคมีเหล่านี้เราได้ตรหนักว่า พวกมันยังเป็นสารเคมีที่ช่วยปรับภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกด้วยหากตัวคุณมีภูมิคุ้มกันที่ก้าวร้าวเกินไปคุณก็จะเกิดปัญหาอย่างโรคบภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองหรือโรคภูมิแพ้ได้แต่หากคุณมีระบบภูมิคุ้มกันที่เสื่อมซึมคุณมีแนวโน้มที่จะมีการติดเชื้อและเป็นมะเร็งได้เช่นเดียวกันแต่เปปไทด์พวกนี้เป็นตัวที่ควบคุมระบบภูมิคุ้มกัน เมื่อสามารถปรับให้มันทำงานได้เป็นอย่างดีแล้วจูจ่ๆผมก็เห็นการเชื่อมโยงระหว่างจิตใจร่างกายและวิญญาณแต่ผมก็รู้สึกทึ่งด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าคุณสามารถพบคนไข้สองคนที่มีอาการป่วยแบบเดียวกันไปพบหมอคนเดียวกันทำการรักษาแบบเดียวกันแต่กลับได้รับผลลัพธ์ที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนหนึ่งอาจรอดส่วนอีกคนอาจตายก็ได้ และระหว่างการรักษาก็มีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมากนั่นนำพาผมไปสู่การแพทย์ทางร่างกายและจิตใจและนำไปสู่การแพทย์แบบองค์รวมในที่สุดในช่วงแรกที่คุณเริ่มต้นมันมีกระบวนการอะไรที่ทำให้ค้นพบสิ่งเหล่านี้ได้ครับผมรู้ว่าคุณเป็นเด็กในช่วงปี60แล้วรู้ว่าคุณใช้ LSD ด้วย มันต้องใช้ปริมาณมากเท่าไหร่จึงจะเผยให้เห็นสิ่งที่เหนือกว่าการแพทย์แบบเดิมและวิธีการที่คุณเริ่มเชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันด้วยครับผมใช้ LSD ตอนอยู่โรงเรียนแพทย์สองครั้งและตอนนั้นผมอายุยังไม่ถึง20สิบปีเลยและมันทำให้ผมเกิดการอย่างรู้ภายในจากประสบการณ์ธรรมดาในชีวิตประจาวันของสิ่งที่เรียกว่าความเป็นจริงซึ่งความเป็นจริงนั้น ส่วนใหญ่เหมือนการถูกสะกดจิตจากภาวะทางสังคมความเป็นจริงจะถูกยกระดับเมื่อการตระหนักรู้ของคุณได้ถูกยกระดับขึ้นถ้าจะพูดในเชิงเมตาฟิสิกผมเหมือนตื่นขึ้นมาเซี่ยวหนึ่งคล้ายหนังเดอ m เมท i ิกและผมตัดสินใจว่าต้องการรู้ในสิ่งที่เรายังไม่รู้แต่อะไรคือต้นตอของการรู้ที่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณรู้เลยเพราะ สิ่งที่คุณรู้ในวันนี้คุณสามารถไปค้นหาได้ไป Google ได้รู้ไหมมันไม่สำคัญหรอกว่าคุณรู้อะไรทุกคนสามารถค้นหาอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้ผมสามารถไปค้นหาได้ว่ามีกาแล็กซีในจักรวาล น, นี้เป็นจำนวนเท่าไหร่หรือ e p i g e n e t i c ส์ทำงานยังไงหรือสมองทำงานแบบไหนมันไม่ใช่กุญแจแห่งการสร้างสรรค์เลย กุญแจสู่การสร้างสรรค์และจิตสานึกระดับสูงหรือวิธีการรู้ในสิ่งที่คุณรู้อะไรคือต้นต่อของการรู้และประสบการณ์อะไรคือสิ่งที่รู้ประสบการณ์ของร่างกายและอะไรคือสิ่งที่รู้ประสบการณ์ของจิตใจอะไรคือสิ่งที่รู้ประสบการณ์ของสิ่งที่เรียกว่าสีแดงและอะไรคือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมีหลายคนบอกคุณว่า มันอยู่แค่ในสมองของคุณและผมขอรับรองกับคุณได้เลยว่าไม่มีสีใดๆทั้งสิ้นในสมองไม่มีสีแดงหรอกในเวลาที่คุณมองเห็นสีแดงไม่มีสีใดๆเกิดขึ้นในสมองหรือถ้าคุณจินตนาการถึงสีหรือหากคุณจินตนาการถึงพระอาทิตตกอันแสนสวยหรือถ้าคุณจินตนาการถึงประสบการณ์ที่ได้อยู่กับแม่หรือใครก็ตามทางอารมณ์ สมองจะแสดงให้เห็นเพียงกิจกรรมของสารเคมีนั่นเรียกว่าปัญหาที่ตอบยากของจิตสานึกดังนั้นอะไรคือต้นตอของสิ่งเหล่านี้ช่วยนิยามให้เราฟังหน่อยครับมีช่องว่างบางอย่างที่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจระหว่างการเริ่มต้นจากอะตอมที่มารวมตัวกันและกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์และสิ่งที่เราเรียกว่าสมองมนุษย์แต่ก็มีห่วงเวลาที่เรายังไม่รู้จัก ในตอนที่เราเริ่มมีสตินี่มันใช่สิ่งที่คุณกำลังพูดถึงอยู่หรือเปล่าครับไม่ครับปัญหาที่ตอบยากของจิตสานึกมีเพียงประโยคเดียวเท่านั้นนั่นคือสารเคมีและอะตอมและสารเคมีในระบบประสาทหรือกระแสไฟฟ้าในระบบประสาทสามารถสร้างประสบการณ์ได้อย่างไรมันไม่มีคำอธิบายอย่างการที่คุณมองมาที่ผมในตอนนี้ สิ่งทั้งหลายที่เข้าสู่สายตาของคุณมันคือโฟตอนที่มองไม่เห็นไม่มีคลื่นสีแดงส่งมาที่ตาของคุณโอเคไหมครับมันคือโฟตอนที่มองไม่เห็นมันไม่มีสีไม่มีรูปร่างมันไม่มีหน่วยของมวลมันไม่มีมิติใดๆทั้งสิน้นโฟตอนที่คุณกำลังใช้อยู่หรือที่กำลังสัมผัสอยู่ในตอนนี้มันกาลังมอบประสบการณ์ของร่างกายคุณของร่างกายผมและของห้องนี้ ทั้งหมดที่เดินทางมาหาคุณคือข้อมูลกระแสะไฟฟ้าทั้งหมดที่เดินทางไปสู่สมองของคุณก็คือกระแสะไฟฟ้าที่เรียกว่าแนวโน้มของความเป็นไปได้แต่คุณกำลังมีประสบการณ์ของห้องนี้มีประสบการณ์ของร่างกายตัวเองมีประสบการณ์ของความคิดที่จริงแล้วคุณกำลังมีประสบการณ์ในการเห็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าความเป็นจริงหรือความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน เชื่อหรือไม่ไม่มีนักประสาทวิทยาใดๆที่สามารถบอกคุณได้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรพวกเขาสามารถมองเห็นสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์แห่งการรับรู้ทางอารมณ์ความสัมพันธ์ย่อมไม่ใช่สาเหตุตามที่พวกเรารู้กันหากมีไก่ขันในตอนเช้าและมีพระอาทิตย์ขึ้นในเวลาเดียวกันเราไม่สนิฐานว่าเป็นเพราะเจ้าไก่ตัวนั้นเป็นสาเหตุทาให้พระอาทิตย์ขึ้นแต่มันสัมพันธ์กัน ดังนั้นจิตของคุณสมองของคุณและโลกกายภาพคือประสบการณ์ที่สัมพันธ์กันในมิติของการดำรงอยู่ในระดับที่ลึกซึง้งซึ่งไม่ได้อยู่ในที่ว่างหรือ ก, การเวลาใดๆทั้งสิน้นโอเคครับผมอยากลงลึกในเรื่องนี้อะไรคือสิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นในตัวคุณเพื่อการหยุดความทุกข์ของมนุษย์เอาเป็นแบบย่อๆก็ได้นะครับครับ เป้าหมายของนักบำบัดทุกคนและของแพทย์ควรเป็นการช่วยบรรเทาทุกข์ตอนนี้เราก็ทำได้ดีมากๆในเรื่องของการบรรเทาสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บป่วยฉับพลันเช่นตอนที่คุณขาหักคุณก็จะมีหมอกระดูกที่ซ่อมมันได้คุณปอดบวมก็จะได้รับยาปฏิชีวนะดังนั้นเราทำได้ดีมากกับสิ่งที่อยู่ในระดับกายภาพของการเจ็บป่วยฉับพลัน แต่ยังมีสิ่งอื่นที่เรียกว่าการเจ็บป่วยเรื้อรังด้วยเช่นเบาหวานประเภทสองอาการอักเสบต่างๆเมเรงโรคหัวใจโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องภาวะความเสื่อมก่อนวัยอันควรการติดเชื้อได้ง่ายพวกนี้แหละที่เรายังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะสิ่งที่เรารู้ในตอนนี้ก็คือมีเพียง 5% ของโรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนที่แทรกซึมเข้าไปทั้งหมด นั่นหมายถึงมันจะเกิดโรคแน่ๆการกลายพันธุ์ของยีนคือความผิดพลาดในระดับยีนตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ก็คือแองเจลิน่าโจลี่มีบรลาค่ายีนซึ่งเธอตัดสินใจผ่าตัดเต้านมทั้งสองออกเพื่อป้องกันเพราะยีนนั้นคาดการว่าเธอจะเป็นมะเร็งเต้านมเกี่ยวกับเรื่องนี้มีเทคโนโลยีใหม่กาลังเกิดขึ้นรวมทั้งการแก้ไข ย, ยีนด้วย ดังนั้นในตอนนี้มีความเป็นไปได้ที่ไม่เพียงแค่มะเร็งแต่อาการอย่างเม็ดเลือดแดงรูปเคียวคุณก็สามารถตัดแปะยีนก็ได้คือกระบวนการคริสเปอร์หรอครับครับคริสเปอร์คือการตัดยีนเหมือนเหมือนกับที่คุณทำกับอีเมลหรือลบประโยคนั้นทิ้งและแทรกยีนที่มีสุขภาพดีเข้าไปแทนมันจะส่งผลดีต่อคนประมาณห้าเปอร์เซ็นตแต่ 95% ของคนอื่นมันมีการเจ็บป่วยที่เป็นผลมาจากวิธีการใช้ชีวิตเช่นการนอนหลับการบริหารความเครียดคุณได้ทำสมาธิหรือไม่ออกกำลังกายหรือไม่บางทีคุณได้ทำโยคะหรือไม่หรือใช้เทคนิคการหายใจหรือไม่คุณภาพของอารมณ์ที่คุณมีโภชนาการความสัมพันธ์ส่วนบุคคลปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สิ่งแวดล้อมการเชื่อมต่อกับธรรมชาติเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อยีนของคุณซึ่งเราเรียกมันว่า epigenetics พวกเราเริ่มที่จะทำได้ดีแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่พอสมมุติว่าคุณกำจัดการป่วยเรื้อรังได้ทั้งหมดแต่การจะป่วยแบบฉับพลันละ่ะมนุษย์ก็จะยังคงทุก์อยู่หรือไม่คำตอบคือใช่แล้วเพราะไม่เหมือนกับสัตว์อื่น พวกเรามีสิ่งประหลาดลาดที่เรียกว่าความทุกข์ของการดำรงอยู่เรามักสงสัยว่าทำไมจึงมีเราอยู่เราสงสัยว่าทำไมต้องแก่และจะป้องกันความแก่ได้ยังไงแล้วเราก็สงสัยว่าทำไมความจำบางอย่างฝังลึกบางอย่างลืมเลือนไปได้เมื่อเราแก่ลงและเราจะป้องกันได้ไหมรวมทั้งเรายังหวาดกลัวความตายอีกด้วยและเราจะป้องกันความตายได้ยังไง คำตอบคือการตายทางชีวภาพนั้นมีพื้นฐานมาจากสมมุติฐานที่ผิดๆที่ว่าคุณคือชีวภาพของคุณคุณคือร่างกายของคุณและคุณคือจิตใจของคุณผมขอพูดถึงปัญหาที่ตอบยากของจิตสํานึกคําตอบนั้นก็คือคุณไม่ใช่ร่างกายคุณไม่ใช่จิตใจคุณไม่ใช่ประสบการณ์ที่มีต่อโลกคุณคือจิตสํานึกที่รับรู้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น การสังเกตความคิดคือการรู้ว่าคุณไม่ใช่ความคิดการสังเกตอารมณ์คือการรู้ว่าคุณไม่ใช่อารมณ์การสังเกต ร, ร่างกายคือการรู้ว่าคุณไม่ใช่กลุ่มของประสาทสัมผัสและการรับรู้ตกลงคุณคือใครกันละ่ะคำตอบคือสิ่งที่รู้ความคิดอยู่อะไรที่รู้การรับรู้ของสีแดงมันมีสีแดงที่ไหนอีกไหมในจักรวาลทางกายภาพหรือมันเป็นเพียงแค่ประสบการณ์กันแน่ ผมรับรองได้เลยว่าไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนสามารถบอกคุณได้ว่าสีแดงที่เป็นเอกลักษณ์ทางกายภาพมีที่อื่นอีกไหมในจักรวาลมันคือประสบการณ์ในการตระหนักรู้ของมนุษย์สิ่งเดียวกันนี้ไม่มีในการตระหนักรู้ของค้างคาวซึ่งเป็นสัตว์ที่มองไม่เห็นสีสันแต่มันใช้ประสบการณ์เสียงสะท้อนของคลื่นความถี่ระดับสูงแล้วสีแดงสาหรับค้างคาวคืออะไรล่ะ ผมว่ามันคงจะดีที่ได้กลับไปพูดเรื่องประสบการณ์ l f d การที่คุณศึกษากลุ่มของตัวยาที่มีผลต่อระบบประสาทและการที่มันมีผลต่อการดำรงอยู่ของผู้คนการหวาดกลัวความตายผมรู้ว่าเขาได้ทำการศึกษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งผมเข้าใจว่าพวกเขาได้เกิดการยกระดับอย่างรวดเร็วในแง่ของความหวาดกลัวสาหรับผมผู้ไม่เคยใช้สารดังกล่าว ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการสลายอัตราอันเป็นจุดที่ชักนำผู้คนได้มีวิธีการอะไรที่จะสามารถอธิบายในเชิงเมตาฟิสิกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ้างไหมครับครับในตอนที่คุณคิดว่าทุกอย่างที่คุณคิดคือของจริงมันไม่ใช่ของจริงหรอกเมื่อคุณตระหนักว่าคนที่คุณคิดว่าคุณเป็นไม่ใช่ของจริงผมไม่ใช่ดีปักโชปราด้วยร่างกายนี้จิตใจนี้ อัตตนี้หรืออัตลักษณ์นี้มันเป็นเพียงอัตลักษณ์ชั่วคราวหากผมพูดว่าผมคือร่างกายจิตใจรู้ไหมผมเนี่ยเคยเป็นไข่ที่ถูกผสมและกลายเป็นตัวอ่อนกลายเป็นเอ็มบีโอทารกเด็กน้อยวัยรุ่นแล้วก็เป็นอยู่ในแบบนี้ที่สุดแล้วทุกอย่างมันก็จะหายไปหมดเมื่อคุณตระหนักว่าชื่อของคุณรูปลักษณ์ของคุณและทุกสิ่งที่คุณเห็นอยู่ ทั้งหมดนี้คือสิ่งสมมุติจะมีสองอย่างเกิดขึ้นกับคนบางคนนะครับอย่างแรกเป็นสิ่งที่เราเรียกในเชิงเปรียบเทียบว่าคำคืนอันมืดมิดของจิตวิญญาณหรือความทุกข์ระทมอย่างยิ่งยวดเพราะทุกอย่างที่พวกเขาเคยคิดว่าคือความจริงมันกลับไม่ใช่ความจริงอีกต่อไปรวมไปถึงชื่อรูปลักษณ์ร่างกายและจิตใจ บางคนก็กลัวมากราวกับมันเป็นการเดินทางที่แสนย่ำแย่บางคนสามารถก้าวข้ามเรื่องนี้และได้พบกับนิพานหรือการตื่นรู้แล้วพวกเขาก็พูดว่าว้าวฉันคิดว่าตัวเองถูกขังอยู่ในร่างกายมาตลอดชีวิตแต่แท้จริงแล้วฉันคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีเวลามากเกี่ยวข้องที่สามารถเปลี่ยนตัวเองไปสู่ประสบการณ์อะไรก็ได้ นั่นรวมถึงประสบการณ์มนุษย์ที่น่าทึ่งมากแต่ประสบการณ์มนุษย์ก็ส่งผลให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ของการดำรงอยู่ดังนั้นสาเหตุของความทุกข์ตามแบบมนุษย์ตามที่คุณยกเรื่องนี้ขึ้นมาได้ถูกพูดถึงกันในองค์ความรู้แบบโบราณของชาวตะวันออกด้วยคำเหล่านี้ข้อหนึ่งคุณทุกข์เพราะไม่รู้ว่าตัวเองคือใคร คุณทำให้ตัวเองสับสนด้วยร่างกายจิตใจประสบการณ์ของตัวเองข้อ2คุณหลงยึดและติดกับประสบการณ์ที่จางหายไปไม่ยั่งยืนและเหมือนกับความฝันมันพูดว่าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนเด็กได้จบลงไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานได้จบลงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อห้านาทีก่อนก็จบลงไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับคาพูดนี้ ตอนที่คุณได้ยินมันก็ไม่มีอยู่อีกแล้วรู้ไหมวิตเกนสไตน์นักปราชญาชาวเยอรมันเคยกล่าวไว้ว่าพวกเรากำลังหลับชีวิตเราคือความฝันแต่บางครั้งบางคราวเราก็ตื่นขึ้นและรู้ว่าเรากำลังฝันอยู่แล้วอะไรล่ะที่คุณจะตื่นมาพบเพื่อให้คุณก้าวเส้นแบ่งนี้ไปคุณจะพบตัวตนที่แท้จริงซึ่งไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจ แต่เป็นเพียงจิตสานึกที่รู้ประสบการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นดังนั้นการยึดติดในความฝันคือสาเหตุอย่างที่สองของความทุกข์ในรูปแบบมนุษย์ข้อที่สคือความหวาดกลัวต่อสิ่งใดก็ตามที่เป็นความเจ็บปวดที่ไม่ชอบการถูกทอดทิ้งการถูกกระทาจากใครก็ตามที่ไม่เคารพมันคือการรังเกียจในประสบการณ์บางอย่างข้อ3ก็หมายถึงความทุกข์นี่หละครับ ข้อสการมอบคำนิยามให้แก่สิ่งต่างๆซึ่งมันเกี่ยวข้องกับอัตราข้อหคือการกลัวตายทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกันทุกอย่างคือความกลัวเหมือนกันแล้วมันคือการไม่รู้ว่าตัวเองคือใครนี่แหละคือคำถามที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์และทุกคนก็ควรถามตัวเองว่าตกลงแล้วตัวฉันคืออะไรหรือฉันคือใคร ฉันใช้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยการใช้ร่างกายนี้หรือไม่มันคือกิจกรรมของการรับรู้นี่ตัวฉันใช้ประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลงจิตหรือเปล่าหรือการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพเพราะตัวคุณไม่ได้มีบุคลิกภาพแบบเดิมเหมือนตอนที่คุณเป็นเด็กหรือเมื่อสิบปีที่แล้วอะไรคือสาเหตุของการเริ่มต้นสะท้อนคําถามของตัวเองการถามตัวเองว่าฉันคือใครฉันต้องการอะไร เป้าหมายชีวิตของฉันคืออะไรและอะไรคือสิ่งที่ฉันต้องขอบคุณการเข้าสู่ความเงียบของการทำสมาธิคุณมีภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เรียกว่าวิวร์หรือการเปิดเผยสัจธรรมซึ่งผมว่ามันฟังดูยิ่งใหญ่ไปผมจะเรียกว่าแค่การอย่างรู้รู้ไหมครับการทำสมาธิการเจริญสติการดูกายการดูจิตการดูความว่างในจิต การตระนักรู้ถึงโครงข่ายความสัมพันธ์การตระหนักรู้ในสิ่งที่เรียกว่าจั ก, กรวาลที่สุดแล้วมันจะพาคุณไปสู่การรู้ในตัวผู้รู้และเมื่อคุณได้ค้นพบสิ่งเหล่านี้นั่นลหละครับคือสิ่งที่เรียกว่านิพพานคุณคุ้นเคยกับคำที่เรียกว่าทฤษฎีจิตครอบคลุมที่ว่าทุกสิ่งล้วนมีจิตสานึกใช่ไหมครับผมไม่เคยได้ยินคานี้มาก่อนผมจะถามคุณในเรื่องนี้ ถ้าเป็นตามที่ผมเข้าใจก็คือจิตสำนึกด้วยตัวมันเองคือพลังที่น่าจะเหมือนกับแรงโน้มถ่วงแต่ไม่มีซักช่วงที่อะตอมมารวมตัวกันจนมีความซับซ้อนเพียงพอจนเกิดจิตสำนึกขึ้นมาได้มันเป็นพื้นฐานมากๆนั่นคือในตอนที่ผมอ่านหนังสือ Meta-Human และคิดว่านี่เป็นสิ่งที่คุณพูดหมายถึงจิตสานึกในทุกสิ่งนั้นมีอยู่มาตลอดอยู่แล้วหรือว่าไม่ใช่กันแน่ครับ ไม่ใช่หรอกครับแต่ผมยินดีที่นักวิทยาศาสตร์ล้วนหันเหไปทิศทางนั้นนั่นรวมไปถึงเรานักคิดและผู้ทรงคุณวุฒิที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากทั้งปรัชญาและวิทยาศาสตร์ได้ไปในทิศทางนั้นแล้วสิ่งที่ผมพูดก็เหมือนที่คุณพูดเลยคือสิ่งที่เราเรียกว่าจิตสานึกคือสสารที่มีการจัดการไม่ว่าที่ไหนที่มีสสารก็มีจิตสานึกตั้งแต่อตอมไปจนถึงกาแล็กซี ดังนั้นจิตและสิ่งที่เหนือกว่านั้นไปด้วยกันตั้งแต่อตอมไปจนถึงแกลักซี่นั่นคือทฤษฎีจิตครอบคลุมมีนักคิดนักวิชาการและบุคคลสำคัญกล่าวว่านี่คือการค้นพบครั้งสำคัญเพราะตอนนี้คุณไม่อาจกล่าวได้ว่าจิตสานึกอยู่แค่เพียงในสมองแต่มันกระจายตัวในจักรวาลในวิถีเดียวกับแรงโน้มถ่วงอตอมและอิเล็กตรอนแต่ผมขอบอกว่า ที่จริงแล้วไม่มีอะตอมไม่มีอิเล็กตรอนไม่มีแรงโน้มถ่วงและสนามพลังทุกสิ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นดังนั้นสสารจึงเป็นการสร้างที่เป็นประโยชน์ผมจะไปให้เหนือกว่าทฤษฎีจิตครอบคลุมสู่สิ่งที่เรียกว่าอทธวิภาวะซึ่งหมายถึงมีเพียงจิตสำนึกเท่านั้นและมันปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีประสาทสัมผัส มีการรับรู้มีภาพลักษณ์และความคิดและเราก็มอบชื่อเรียกแก่สิ่งเหล่านั้นเรามอบชื่อเรียกให้กับสิ่งที่มีรูปร่างแบบนี้สีสันแบบนี้แล้วเรียกมันว่าแก้วเราเรียกมันว่ามือเราเรียกมันว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกเราเรียกมันว่าอะตอมและสนามพลังเป็นการประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ไม่งั้นคุณจะไม่รู้วิธีที่จะสารวจมันและ สำรวจประสบการณ์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรหากผมบอกคุณว่าจะไปพบคุณที่ถนนสาย56บรอดเวย์คุณจะสันนิษฐานว่ามันเป็นจริงทั้งที่เราเป็นคนสร้างชื่อนั้นขึ้นมาเหมือนเราสร้างสิ่งที่เรียกว่าลาติจูดลองจิจูดหรือเวลามาตรฐานกรีนิสเราไม่ได้เรียกว่าเวลามาตรฐานบอสวานาเราสร้างกล็กซีเราสร้างร่างกายเราสร้างแรงโน้มถ่วง เราสร้างสนามพลังขึ้นมาส่วนคำว่าเราที่ผมกำลังพูดอยู่นี้เราในที่นี้หมายถึงเผ่าพันธุ์ที่มีจิตสำนึกที่เรียกว่ามนุษย์นั่นเองคำถามของผมเลยเป็นว่าหากเป็นในกรณีนี้หมายถึงทุกอย่างล้วนมีจิตสำนึกแล้วมันมีอะไรเบื้องหลังไหมอย่างทาไมจิตสำนึกถึงได้เกิดขึ้นกับมนุษย์และก็ตามที่คุณเห็นมันเกิดการวิวัฒนาการด้วยเรามาถึงที่นี่ได้อย่างไง และที่สําคัญกว่าทําไมเราต้องมาอยู่ที่นี่ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนอกจากมาเพื่อหาความบันเทิงครับเอาเป็นว่าผมจะบอกคุณถึงแนวคิดเบื้องหลังนะครับถามว่ามีอะไรที่อยู่เบื้องหลังจิตสํานึกหรือไม่ไม่มีคุณไม่อาจไปเบื้องหลังจิตสํานึกได้มันเรียกว่าจิตสํานึกที่บริสุทธิ์ประสบการณ์ในชีวิตประจําวันคือจิตสํานึกที่ได้รับการปรับแต่งแล้ว ตอนนี้สิ่งที่เรามีประสบการณ์อยู่นั้นเรียกว่าภาวะการตื่นของจิตสานึกคุณหมายถึงอะไรครับเป็นการตระหนักรู้ที่ผมรู้อยู่หรอครับไม่ครับการตระหนักรู้คือการมีประสบการณ์ของรูปกายและโลกกายภาพด้วยตาที่เปิดอยู่ดังนั้นการตระหนักรู้คือการปรับปรุงตัวเองทุกครั้งที่คุณเปิดตาเพื่อเข้าสู่ประสบการณ์นี้แล้วคุณก็เรียกมันว่าโลกกายภาพ ต่อมาเมื่อคุณหลับตาลงคุณมีภาวะของจิตสำนึกที่ต่างออกไปคุณไม่ได้มีประสบการณ์ของโลกกายภาพแล้วคุณมีประสบการณ์ของประสาทสัมผัสภาพความคิดอารมณ์เรื่องราวต่างๆมันเหมือนกับความฝันนั่นละครับเมื่อคุณปิดตาลงเมื่อไหร่คุณจะมีประสบการณ์ที่เรียกว่าฝันกลางวันที่จริงไม่มีความต่างใ ด, ดระหว่างความฝันนี้กับฝันที่คุณมีอยู่ในตอนกลางคืน ตอนที่หลับตาโลกกายภาพหายไปมีเพียงโลกทางจิตเท่านั้นแล้วคุณก็ลงลึกไปอีกในตอนกลางคืนคราวนี้แม้กระทั่งโลกทางจิตก็หายไปเราเรียกมันว่าการหลับลึกนั่นหละคือตอนที่มีภูมิปัญญาสูงสุดคุณกำลังหลับลึกมีกระบวนการที่ไม่ต้องใช้สติทำงานอยู่มีการสร้างสรรค์ทางานอยู่มีความสัมพันธ์เกิดขึ้นพิษร้ายทั้งหลายหายไป เกิดการตั้งค่าใหม่ของความทรงจาและการควบรวมความทรงจาในการหลับลึกไม่มีประสบการณ์ของโลกทางกายภาพหรือโลกทางจิตมันคือภาวะที่เกิดภูมิปัญญาสูงมากๆการจินตนาการได้รับการปรับแต่งแม้คุณจะไม่มีประสบการณ์แบบจิตสานึกใดๆทั้งสิ้นเลยก็ตามลองคิดในแง่อุปมาอุปไมยของสามสภาวะนี้ดูนะครับคุณอาจเปรียบเทียบมันเหมือนน้าก็ได้ น้ำที่เป็นน้ำแข็งนั่นคือโลกทางกายภาพน้ำที่เป็นคลองเหลวนั่นคือความฝันน้ำที่กลายเป็นไอน้ําคือฝันที่มากกว่าเดิมและน้ำที่ขึ้นขึ้นลงลงกังกวมไม่ชัดเจนและตรงข้ามกันและยากที่จะจับต้องได้แต่ถ้าคุณอยากได้อะไรสักอย่างที่มากกว่านั้นผมพูดในแง่อุปมาอุปไมยนะครับคุณจะไปลงเอ่ยที่ศูญย์อากาศขรุขระซึ่งคือฐานล่างที่สุดของการดำรงอยู่ ตามที่วิทยาศาสตร์บอกไว้คุณสามารถทาสิ่งนี้ได้ด้วยตัวเองนั่นคือการเคลื่อนจากโลกกายภาพไปสู่โลกแห่งความฝันไปสู่โลกแห่งการหลับไหลและไปได้มากกว่านั้นอันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าจิตสำนึกอันเป็นรากฐานซึ่งก็คือต้นตอของทุกการรู้ต้นตอของทุกประสบการณ์ในภูมิปัญญาโบราณเรียกว่าจิตสานึกที่ไม่แตกต่างกัน มันต่างจากทวิภาวะยังไงครับมันก็คือทวิภาวะนั่นหละครับมันคือรูปแบบของการรู้ทุกผู้รู้และทุกสิ่งที่รู้มันคือพื้นฐานของการดำรงอยู่ของจักรวาลทั้งหมดโอเคครับทวิภาวะถ้าจะพูดให้ง่ายขึ้นก็คือภาวะที่ไม่มีรูปประมไม่มีนามธรรมมันคือสิ่งเดียวซึ่งผมสันนิษฐานว่าคุณพูดถึงธาตุรู้บริสุทธ์ รูปธรรมนามธรรมการแบ่งแยกเป็นสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นความเป็นจริงึ้นหนึ่งเดียวเป็นองรวมที่รวมรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดและทุกรูปแบบของการรู้สิ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้คือรูปแบบในการรู้แบบมนุษย์ในหนังสือของผมเมตาฮิวแมนได้พูดเรื่องผีเสื้อวาเนซ่าซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดมกลิ่นของโลกผ่านท้งหนวด ลิ้มรถโลกผ่านทางเท้ามองเห็นโลกผ่านสามหมื่นเลนสายตาที่เคลื่อนที่เหมือนกล้องสลับลายได้ยินเสียงของโลกผ่านทางปีกคุณว่าความเป็นจริงของสิ่งมีชีวิตตัวน้อยนี้คืออะไรหรือมแมลงบางชนิดสามารถมองเห็นโลกได้ส6มอสิองศาในเวลาเดียวกันเพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่าดวงตาที่ซับซ้อนมีเลนหลายต่อหลายตัว มนุษย์เราสามารถมองเห็นได้ด้วยมุมมองที่จํากัดแต่มีแมลงที่สามารถมองเห็นได้ถึง360องศาแล้วตกลงความเป็นจริงคืออะไรกันแน่สิ่งที่วิทยาศาสตร์ยุคนี้ให้คำจํากัดความว่าความเป็นจริงนั้นอยู่ภายใต้หัวเรื่องที่ชื่อว่าสัจจานิยมแบบผิวเผินไอสไตล์เองก็เป็นนักสัจจานิยมแบบผิวเผินแต่ที่ผมพูดนี้ผมไม่ได้หมายความว่ามันเป็นไปในทางเสื่อมเสียนะครับ มันแค่ภาษาในวิทยาศาสตร์ของปรัชญาเท่านั้นสัจจนิยมแบบผิวเผินหมายถึงโลกของความเป็นจริงดำรงอยู่เป็นไปตามแบบที่รับรู้โดยประสาท ส, สัมผัสทั้งห้าตอนนี้เห็นได้ชัดเจนว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเผ่าพันธุ์อื่นมีประสบการณ์ต่อโลกผ่านรูปแบบสัมผัสของการรับรู้ที่แตกต่างกันมุมมองแบบที่สองของสัจจนิยมคือโลกกายภาพ ได้ถูกรับรู้โดยประสาทสัมผัสทั้งห้ามันมีอยู่แบบนั้นแม้ไม่มีใครเลยที่สังเกตมันอยู่แล้วคุณจะพิสูจน์ได้ยังไงนี่ละครับมันผิวเผินเพราะว่าเรารู้ว่าโลกเป็นมากกว่าสิ่งที่ถูกรับรู้เพียงแค่ประสาทสัมผัสทั้ง5้าที่จริงแล้วมันนำเราไปสู่คำตอบของปัญหาที่ยากที่สุดของจิตสำนึกนั่นคือการกำจัดไอเดียที่ว่าโลกนี้เป็นกายภาพ สิ่งที่เราเรียกว่ากายภาพกระทั่งรูปกายของเราคือกิจกรรมของการรับรู้สำหรับคุณและผมก็เป็นกิจกรรมรับรู้ของมนุษย์ผ่านจิตสำนึกของมนุษย์ไม่ใช่จิตสำนึกของค้างคาวไม่ใช่จิตสำนึกของยุงไม่ใช่จิตสำนึกของพืชที่จะไปตรงกับทฤษฎีจิตครอบคุมแต่อวิภาวะได้บอกไว้ว่าไปให้เหนือกว่าเรื่องนี้ มีเพียงแค่จิตสํานึกเพียงหนึ่งเดียวที่แบ่งแยกกันได้รู้ไหมครับจิตสํานึกที่ไม่แตกต่างกันแบ่งแยกออกไปสู่สิ่งมีชีวิตที่ต่างกันไปและสร้างเมตริกของสิ่งมีชีวิตที่มีจิตสํานึกที่รวมกันและทรงออกไปสู่จักรวาลแห่งนี้ผมรู้ครับคุณพูดว่าไม่อาจตอบคําถามได้แต่คุณได้เคยพิจารณาดูไหมว่าทําไมทุกอย่างจึงปรากฏมาเป็นแบบนี้ ทำไมทุกอย่างถึงได้มีความแตกต่างกันเพียงนี้ผมว่าหากคุณพูดว่าจิตสำนึกเป็นรากฐานของทุกอย่างงั้นมันก็ต้องมีความปรารถนาและสิ่งนั้นก็คือฉันต้องการมีประสบการณ์ต่อตัวเองและจิตสำนึกไม่ได้มีการแบ่งแยกไม่มีการเวลาไม่มีพื้นที่ว่างไม่มีขอบเขตมันจะรู้จักตัวเองได้เพียงผ่านประสบการณ์ มันเลยแปลรูปตัวเองให้กลายเป็นประสบการณ์หลากหลายอันแตกต่างเกือบไร้ขีดจำกัดและเราเรียกมันว่าจั ก, กรวาลหรือภาษาอังกฤษคำว่า universe มันมาจากคำว่า uni ที่มาจากคำว่า u n a แปลว่า1และ verse คือบทกวีมันคือ1บทกวีแต่มันอยู่ในแค่1จิตสำนึกเท่านั้นเรากลับมาสู่เรื่องทั่วไปกันบ้างนะครับ คุณมีการฝึกส่วนตัวที่น่าสนใจผมเข้าใจเรื่องที่ว่าทุกอย่างคือภาพลวงตาแต่ว่าคุณเคยไปบวชเป็นพระสงฆ์คุณโกนศีรษะโกนคิ้วทำทุกสิ่งเหล่านั้นช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับพลังจากเรื่องนี้คืออะไรครับพลังจากเรื่องนี้ก็คือ จ, จู่ๆคุณก็เริ่มตั้งคำถามกับนิสัยต่างๆที่คุณคุ้นเคยอยู่แล้วหากผมถามว่าสิ่งนี้คืออะไรคุณจะบอกว่ามันเป็นแก้ว แต่ถ้าคุณเป็นทารกคุณย่อมไม่รู้ว่ามันคือแก้วสิ่งนี้คือรูปร่างมันคือสีสันคือรูปแบบมันคือความรู้สึกมันคือรสชาติมันคือเสียงต่อมามันก็คือเรื่องราวมันคือเรื่องราวแบบมนุษย์เราสร้างมันขึ้นมาก็เหมือนกับที่เราสร้างเงินหรือตลาดหุ้นว a ล l s t ตรี t หรือประเทศชาติหรือรัฐะหรือจักรวรรดิอาณาิคม และเรายอมรับมันว่ามันคือความจริงเมื่อคุณมีเวลาพอที่จะอยู่ในความเงียบจงตั้งคาถามกับความแน่นอนที่คุณเคยชินอยู่คุณจะตระหนักเลยว่าคุณไม่รู้อะไรเลยไม่มีเลยทุกอย่างที่เรารู้ล้วนถูกสร้างขึ้นมันคือสิ่งที่ถูกสร้างจากมนุษย์และเมื่อเราถูกฝังอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าความเป็นจริงนั้น เราไม่ตั้งคำถามว่าอะไรคือแหล่งกำเนิดของประสบการณ์นี้จงปลีกวิเวกฝึกฝนสติรับรู้ร่างกายรับรู้จิตใจพื้นที่ว่างของความสัมพันธ์ที่ยึดโยงเราไว้หรือความลับของการดำรงอยู่มันจะค่อยๆพาคุณลงลึกกลับสู่ตัวตนที่แท้จริงของคุณผู้ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์ประสบการณ์ในชีวิตประจําวันของคุณความเงียบสําคัญยังไงครับ ครูม่เคยพูดไว้ว่าภาษาของพระเจ้าคือความเงียบสิ่งอื่นๆคือการแปลความที่ย่ำแย่มันคือการฟังเสียงของจิตได้สำนึกหรือเปล่าครับสำหรับผมการทำสมาธิเป็นสิ่งที่ ท, ทรงพลังมากแล้วผมก็เข้าใจเรื่องที่คุณพูดเกี่ยวกับความเกี่ยวเนื่องที่เข้มข้นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นการหายใจจากกระบังลมการอยู่เงีย บ, ยบจะช่วยทำให้ผมเคลื่อนจากระบบประสาทซิมพาเทติ ไปสู่ปราศาสตรพาลาซิมภาเทติกมันช่วยผมลดความเครียดได้คุณเองก็ทำงานวิจัยในเรื่องนี้ไว้เยอะมากๆซึ่งน่าตื่นเต้นมากมันสร้างความเงียบในจิตใจและทำให้ผมเชื่อมโยงกับจิตใต้สานึกขณะที่กำลังตื่นอยู่ซึ่งก็ส่งพลังมากๆเช่นเดียวกันทำให้ผมมีความคิดสร้างสรรค์เชื่อมโยงกับบางสิ่งที่กว้างไกลที่ผมคงทาไม่ได้ดังนั้นมันจึงมีประโยชน์มากๆ มีเป็นประสบการณ์แบบเดียวกับตอนที่คุณอยู่ในความเงียบหรือผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าครับไม่หรอกครับทั้งหมดนั่นสำคัญมากเพราะช่วขณะที่คุณเริ่มไปสู่ทิศ ท, ทางของจิตสำนึกที่บริสุทธิ์คุณก็เข้าสู่ทิศ ท, ทางของความสมดุลซึ่งคือการกำกับตัวเองการเยียวยาตัวเองคุณเปิดการทำงานของระบบประสาทพาลาซิมพาเทติกลองเล่าในแง่วิทยาศาสตร์ในเรื่องที่คุณได้วิจัยมาสักนิดหน่อย เพราะมันน่าประทับใจมากเราทำการทดสอบกับคนไข้ที่เข้าเวิร์กช็อปเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เราเรียกมันว่าการล่อลวงทางวิญญาณซึ่งเป็นชื่อที่ดีนะครับแล้วเมื่อจบหนึ่งสัปดาห์เราทดสอบกิจกรรมของยีนการอักเสบและอื่นๆเราพบว่ายีนที่ส่งผลต่อการกํากับตัวเองและการเยียวยาต่างๆได้เพิ่มขึ้นไป17เท่าจากเส้นฐาน ยีนที่เป็นสาเหตุของการอักเสบซึ่งเป็นที่มาของอาการเจ็บป่วยและการอักเสบเรื้อรังก็ลดลงระดับของเอมไซ์โทโลเมียที่ส่งผลต่อการเสื่อมจากอายุไขในระดับของยีนคือความยาวของโทโลเมียเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะในบางกรณีก็ถึง 40% ทุกอย่างได้ถูกอธิบายผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าเอพิเจเนติกส์และคือการวิวัฒนาการ แล้วตอนนี้ก็มีอีกหลายคนที่สามารถค้นพบได้แบบเดียวกันการศึกษาของเราทำโดยความร่วมมือกับเหล่านักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยดุกส์ฮาวาด UC SF, UCSD และอื่นๆแต่การศึกษาของคนอื่นที่ทำตามก็พบข้อมูลแบบเดียวกันแม้จะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆ น, นะครับดังนั้นนี่คือการวิวัฒนาการครั้งใหญ่สาหรับผู้ที่ไม่รู้จักเอพิจเนติกส์ คุณจะช่วยเล่าสั้นๆได้ไหมครับคุณเกิดมาพร้อมกับ 25,000 ยีนจากพ่อแม่และยังมีประมาณ 2-20 ล้านยีนที่เป็นแบคทีเ r ียอยู่ในท้องแบคทีเ r ียพวกนี้ถูกเรียกว่าไมโครไบโอมแล้วคุณก็มียีนมนุษย์พวกมันทั้งหมดมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเพื่อสร้างกระบวนการเผาผลาญในร่างกายและสร้างสิ่งที่เรียกว่ากลไกชีวภาพ และคอยดูแลสุขภาพให้แก่คุณ e อพิ e n e t i ติบอกว่าประสบการณ์ประจำวันมีผลต่อกิจกรรมของยีนคุณเกิดมาพร้อมสำหรับไพ่แล้วตอนนี้คุณก็เรียนรู้ที่จะเล่นไพ่เพื่อที่จะได้เอาชนะเกมแห่งชีวิตถ้าคุณเลือกที่จะใช้คำเปรียบเทียบแบบนั้นนะครับดังนั้นกิจกรรมของยีนได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งที่บอกเอาไว้นั่นคือการนอนหลับการบริหารความเครียด การออกกําลังกายโยคะการหายใจลมปราณวิปัสนากรรมฐานโภชนาการเชื่อมต่อกับธรรมชาติเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของยีนได้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของยีนนั้นเปรียบได้ว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนพายที่คุณจั่วมาได้แต่คุณสามารถเปลี่ยนกิจกรรมของมันได้คุณสามารถเปลี่ยนไมโครไบโอมโดยการเปลี่ยนโภชนาการ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงยีนของคุณได้จริงเป็นจำนวนมากไม่เฉพาะเปลี่ยนการแสดงออกของยีนเท่านั้นแต่เปลี่ยนแปลงข้อมูลของยีนในร่างกายเลยคุณเปลี่ยนไมโครไบโอมประชากรทั้งหมดของยีนด้วยการเปลี่ยนโภชนานการและเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ตามมาคุณเปลี่ยนการแสดงออกของยีนได้นั่นล่ะครับคือเอพิเจเนติกส์เอพิหมายถึงเหนือกว่าเอพิเจเนติกส์คือกลุ่มของโปรตีนที่เหนือกว่ายีน ที่ตอบสนองต่อทุกประสบการณ์ที่คุณมีทาง จ, จิตใจทางร่างกายทางความคิดและทางอารมณ์คุณให้คำแนะนำได้ไหมครับจากการทำสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบินทบาททำโยคะวิธีไหนกันที่ช่วยให้ชนะเกมแห่งชีวิตโอเคครับการออกบินทบาทและทั้งหมดนั้นคือการมีประสบการณ์กับตัวเองโดยไม่มีรูปลักษ์ของชายที่ชื่อดีปักโชปรา คุณโกนคิ้วแล้วเดินออกไปพร้อมบาทกับพระรูปอื่นๆคุณบวชในเกาหลีใต้ใช่ไหมครับใช่ครับที่เกาหลีโอ้ผมขอโทษ ด, ด้วยไม่ใช่ครับผมบวชที่ประเทศไทยภาคเหนือของไทยแต่ที่เกาหลีใต้ก็มีวัดคล้ายแบบนั้นด้วยการทำแบบนี้นำไปสู่คำถามว่าผมคือใครหากไม่มีฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วผมเป็นใครหากไม่มีรูปลักษณ์นี้ นี่เป็นเป้าหมายของการปิดวิเวกบ้างอย่างแน่นอนว่านานๆครั้งเราควรจะทำมันบ้างผมเองก็ปิดวาจาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ปีละครั้งด้วยแต่สิ่งที่ผมทำทุกวันคือการเริ่มต้นวันใหม่โดยการตั้งสี่คำถามดังต่อไปนี้ผมคือใครผมต้องการอะไรใครอยากจะรู้เป้าหมายของผมคืออะไรและผมซาบซึ้งกับอะไร จากนั้นผมก็นั่งสมาธิประมาณสองชั่วโมงในช่วงเช้ามืดนั่นคือการอยู่ในความเงียบคุณตอบคำถามเหล่านี้ไหมหรือการทำสมาธิเป็นไปเพื่อตอบคำถามนี้ครับมันคือการทำสมาธิครับคุณแค่ทิ้งคำถามเอาไว้แล้วจิตสานึกจะเคลื่อนไปหาคำตอบให้เพราะว่าจิตสานึกนั้นไร้ขีดจำกัดมีความเชื่อมโยงไร้ขีดจากัดคุณไม่ต้องกังวลต่อคาตอบเลย รู้ไหมมันมีคำจากโบราณที่ว่าเมื่อถามแล้วคุณจะได้รับคำตอบชีวิตที่ไม่ได้ตรวจสอบคือชีวิตที่ไม่คุ้มค่าผมฝึกฝนทุกวันหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงนั่งสมาธิอยู่กับความเงียบรวมทั้งการมีสติเพื่อรับรู้ร่างกายจิตใจและอื่นๆแล้วจึงค่อยทำโยคะดังนั้นผมจึงใช้เวลาทั้งหมดประมาณสามชั่วโมงเป็นการฝึกทุกเช้า ผมจะเริ่มใช้ชีวิตแบบปกติประมาณ11โมงสำหรับวันนี้เป็นข้อยกเว้นเพราะผมให้เวลานั้นกับคุณขอบคุณครับปกติผมจะไม่ทำงานหลังจาก5โมงเย็นนอกจากจะมีคิวต้องพูดหรือออกทัวร์หรือทำสื่อแต่ปกติผมจะทำงาน11โมงเช้าถึง5โมงเย็นและช่วงสุดสัปดาห์ผมเขียนและสะท้อนตัวเองและผมสนุกกับชีวิตข้อแรก ถ้าคุณทำงานตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นแล้วงานคืออะไรครับและข้อที่สองตอนที่คุณสนุกกับชีวิตมันหมายถึงอะไรครับตอนอยู่นิวยอร์กผมเดินไปตามท้องถนนผมลิ้มรสได้กลิ่นและมีประสบการณ์ของสีสันและรสชาติจากทุกๆชาติด้วยการเดินบนถนนบรอดเวย์ผมสามารถไปเกาหลีเทาวอินเดียทาไชน่าเทา l i ท t ติลอิตาลีลิทเติลสเปนลิทเติลโปรตุเกสและดื่มดํำกับความรู้สึกที่สัมผัสได้ผมใช้เวลานานเพื่อทำแบบนั้นสำหรับเรื่องการทำงานที่จริงผมไม่ได้มีงานอะไรมากนักในตอนนี้นอกจากการเขียนหนังสือและพูดซึ่งคือวิธีการที่ผมเรียนรู้ตัวเองอะไรก็ตามที่ผมกำลังดิ้นรนอยู่และพยายามแก้ไขผมก็เขียนมันลงไปถ้าผมเห็นความกระจ่างที่มากขึ้น หรือกระจ่างชัดในเรื่องที่เขียนแล้วล่ะก็ผมก็จะตีพิมมันขึ้นมานี่แหละครับงานผมไม่คิดว่ามันเป็นงานด้วยซ้ำมันคือการเล่นคุณเคยพูดว่าไม่ได้คิดเรื่องการแก่อีกแล้วคุณคิดว่าการไล่ตามเกี่ยวกับคำถามเหล่านี้คือความผิดพลาดคุณหมายถึงอะไรครับผมไม่ได้ไม่คิดถึงความแก่นะครับตอนนี้ผมอายุ73แล้วบทต่อไปของผมก็คือความตาย ดังนั้นผมคิดเรื่องความแก่ครับผมแค่ไม่ได้ถูกหลวงตาด้วยสิ่งที่ถูกสร้างกันขึ้นมาเท่านั้นเพราะผมคิดว่าจิตสำนึกนั้นคือไร้รูปแบบหรือไร้ขีดจำกัดโดยขึ้นอยู่กับแค่การเกิดหรือการตายเท่านั้นการมาอยู่ที่นี่คือการมาเที่ยวบนโลกจงสนุกกับมันแต่ความตายก็ไม่ใช่การจบสิ้นของจิตสานึกมันเป็นการจบของโครงเรื่องบางอย่างเท่านั้น การจบการแปลภาพความรู้สึกและความคิดที่เป็นมุมมองเท่านั้นและโครงเรื่องก็แน่นอนเป็นจิตที่ถูกสร้างเงื่อนไขเอาไว้ทันทีที่คุณเกิดมาคุณก็ถูกบอกว่าคุณคือคนอินเดียคุณคือผู้ชายคุณมาจากครอบครัวที่ล่ำรวยหรือยากจนนี่คือศาสนาของคุณแล้วคุณก็ถูกหลอกลวงจากตัวตนที่แท้จริงของคุณไปสู่ตัวตนที่ถูกบัญญัติขึ้นมา มันไม่ใช่ว่าผมไม่ได้คิดเรื่องความตายนะครับแต่ผมถามตัวเองว่าอะไรที่อยู่เหนือกว่าตัวตนที่ถูกบัญหยัดและผมก็หลงจมไปกับมันแล้วมันก็ได้ผลที่น่าสนใจมากๆซึ่งคือผลที่เหมือนกันในทุกคำสอนของจิตวิญญาณแบบดั้งเดิมยังไงก็ตามมีแค่สามสิ่งที่เกิดขึ้นในศาสนาหรือคาสอนแบบดั้งเดิมนั่นคือข้อ1การข้ามผลตัวตน คุณรู้ว่าตัวเองไม่ใช่บางอย่างในที่ว่างและการเวลาตัวตนที่แท้จริงของคุณนั้นไรรูปแบบไร้ขีดจำกัดไม่มีขอบเขตและเป็นจิตสานึกอิสระข้อ2คุณมีการปรากฏขึ้นของสิ่งที่ผมเรียกว่าความจริงอันสงบความดีงามความงดงามความกลมกลืนความรักความเมตตาความเบิกบานความร่มเย็นและข้อสาการสูญเสียความกลัวตาย ไม่มีอะไรอื่นที่สำคัญอีกแล้วนอกจากสามประสบการณ์ที่ว่านี้มันคือส่วนหนึ่งของทุกภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ส่งต่อกันมาหลายพันปีเรามาพูดเรื่องความรักกันดีกว่าครับมันน่าสนใจที่บางคนเริ่มต้นจากสารสื่อประสาทในสมองคุณจะช่วยให้รายละเอียดว่ามีสารเคมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับความรักบ้างครับได้สิครับออกซิโทซินและเซโรโทนิน แต่มันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนั่นหละครับมันคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นความรักไม่ใช่ความรู้สึกความรักไม่ใช่อารมณ์ความรักคือความจริงสูงสุดและหัวใจของการสร้างสรรค์ซึ่งก็คือจิตสำนึกแบบองรวมหนึ่งจิตสานึกแผ่กระจายออกไปสู่ประสบการณ์อันหลากหลายเสียงไร้ขีดจากัดกระบวนการรู้ไร้ขีดจำกัด ปรากฏการไร้ขีดจำกัดที่ถูกสร้างภายใต้คนคนหนึ่งเหมือนตอนที่คุณยังเป็นไข่ที่ถูกผสมแล้วคุณเป็นเพียงแค่เซลล์ขั้นแรกเป็นสเต็มเซลล์ที่มีศักยภาพหลากหลายจนมันกลายเป็นลูกตากลายเป็นจมูกกลายเป็นเล็บกลายเป็นหัวใจและกลายเป็นสมองนั่นคือหนึ่งเซลล์ที่แบ่งแยกตัวเองให้กลายเป็นเซลล์ที่แตกต่างแต่และตัวมีวิธีการหาประสบการณ์ด้วยตัวเองก็เหมือนกันนะครับ จิตหนึ่งเดียวดวงนั้นได้แบ่งแยกตัวเองออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าจั ก, กรวาลโดยที่ทุกเผ่าพันธุ์ที่มีจิตสำนึกรับรู้จั ก, กรวาลในแบบเฉพาะของตัวเองเพราะที่สุดแล้วก็ไม่มีจั ก, กรวาลหลอกมันคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นความรักคือความเป็นจริงสูงสุดเท่านั้นช่วยแยกความแตกต่างระหว่างจิตสานึกที่เป็นพื้นฐานและความรักที่เป็นพื้นฐานที่สองทั้งสองอย่างนี้เหมือนกันไหมครับ รักบริสุทธิ์จิตสํานึกบริสุทธิ์การรู้ที่บริสุทธิ์การสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์ทุกอย่างคือสิ่งเดียวกันน่าสนใจครับเพราะผมเข้าใจเลยว่านี่คือตัวผมที่ถูกขังอยู่ในรูปประสบการณ์ของมนุษย์แต่ผมคิดว่าความรักเป็นโมเลกุลของอารมณ์ผมคิดว่ามันคือประสบการณ์อยากเหมือนกันที่จะทําความเข้าใจครับมันคือแหล่งกําเนิดของโมเลกุลเหล่านั้น โมเลกุลของอารมณ์ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแต่มันก็เป็นแหล่งกำเนิดของอารมณ์ที่คุณได้รับมาด้วยอย่างผมคิดถึงแม่ในตอนนี้แม่ผู้เสียชีวิตไปนานแล้วทันทีที่ผมคิดถึงคำว่าแม่ผมเห็นภาพของเธอและมันก็ไม่ได้อยู่ในหัวของผมในหัวผมมีแค่สารเคมีเท่านั้นภาพนั้นอยู่ในจิตสานึกของผมทันทีที่ผมคิดถึงเธอ ที่จริงผมสามารถได้ยินเสียงของเธอด้วยในสมองของผมไม่มีเสียงใดๆแต่ผมสามารถได้ยินเสียงของเธอในจิตสานึกของผมทันทีที่ผมคิดถึงเธอผมรู้สึกถึงอารมณ์ที่บางทีอาจมีสารออกซิโทซินในสมองของผมแต่ผมไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับออกซิโทซินผมรู้สึกถึงอารมณ์ที่เข้มข้นของความเบิกบานแค่เพียงการคิดถึงเธอเท่านั้น ผมสามารถทำกระทั่งได้กิ่นผิวของเธอด้วยตอนที่ผมยังเป็นเด็กซึ่งเหล่านี้มาจากไหนกันแค่ผมคิดถึงคำว่าแม่แค่คำเดียวโอเคนะครับคำว่าแม่ในจิตสำนึกบริสุทธิ์มันได้สร้างประสบการณ์ทั้งหมดนี้ได้ผมเรียกมันว่าการผัวพันทางคุณภาพความรู้สึกแทนที่จะเรียกว่าการผัวพันเชิงควอนตัมคุณภาพความรู้สึกคือประสาทสัมผัสภาพ มุมมองอารมณ์ความคิดมันอยู่ที่นั่นทั้งหมดเราทำให้มันกลายเป็นวัตถุจับต้องได้และเรียกมันว่าโมเลกุลแม่คุณเป็นแบบไหนล่ะครับเธอเป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งสุดยอดทุกวันเธอจะเล่าเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมให้เราฟังก่อนนอนแต่เธอจะหยุดเล่าในตอนที่กำลังตื่นเต้นที่สุดแล้วเธอก็บอกว่าพรุ่งนี้แม่จะให้ลูกเล่าตอนจบให้แม่ ให้แน่ใจด้วยว่ามันเป็นเรื่องความรักพร้อมแฮปปี้เอนดิ้งนั่นเลยกลายเป็นสิ่งที่ส่งอิทธิพลต่อผมไปตลอดชีวิตผมตัดสินใจว่าทุกเรื่องเล่ายังเป็นสิ่งที่ยังไม่จบและเรื่องเล่าที่ดีที่สุดก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับความรักนี่น่าสนใจมากๆครับคุณเลยมาทำต่อกับลูกๆด้วยหรือเปล่าครับครับผมทำต่อกับลูกๆด้วยแน่นอน คุณคิดว่ามันช่วยชักนําการตระหนักรู้ไปสู่การเล่าเรื่องด้วยตัวมันเองหรือมันช่วยยกระดับคุณให้ไปโฟกัสในบางอย่างที่สวยงามกว่าที่จริงมันก็ถูกทุกข้อเลยครับผู้คนนั้นแตกต่างกันแต่เราคือนักเล่าเรื่องเริ่มมาตั้งแต่ประมาณสามหมื่นสี่มื่นปีก่อนที่เรามีภาษาพื้นฐานตอนนั้นมีมนุษย์แปดประเภทหรือมากกว่านั้นที่แตกต่างกันพวกเราคือ มนุษย์โฮโมเซเปียนซึ่งหมายถึงผู้ฉลาดเราสร้างชื่อนี้มอบให้แก่ตัวเองด้วยชื่ออื่นๆก็โฮโมอิเล็กตัสโฮโมนีแอนเทอร์เทลโฮโมฟอโรเลนซิสและอื่นๆทุกสายพันธุ์มีภาษาพื้นฐานสำหรับเพื่อแจ้งสิ่งอันตรายจับคู่หาอาหารแล้วเราก็สร้างภาษาเพื่อการเล่าเรื่องราวและกำจัดสายพันธุ์อื่นๆไปจนหมด ด้วยเรื่องราวเราสามารถสร้างเงินสร้างอาณาจากักรอาณานิคมสร้างวอลล s t ตรี t สร้างเทคโนโลยีสร้างการแฮ็กข้อมูลคอมพิวเตอร์สร้างเครื่องจกักรสร้างนีสินทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากความสามารถของเราในการนำประสบการณ์ดิบๆซึ่งคือการรับรู้และสร้างเรื่องราวขึ้นมาเมื่อคุณตระหนักเรื่องนี้คุณจะรู้ว่ามันแค่สิ่งชั่วคราวคุณไม่ใช่เรื่องราวของคุณ คุณคือคนเขียนเรื่องราวต่างหากแล้วนั่นก็รวมไปถึงเรื่องราวที่ว่าตัวคุณคือสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพในโลกละครของปริภูมิเวลาและเวรกรรมและสิ่งที่เราอาศัยอยู่นี่คือโลกความจริงซึ่งไม่ใช่หลอกมันคือเรื่องราวทำไมถึงได้สำคัญที่เราจะต้องเล่าเรื่องของการสำนึกรู้คุณให้ตัวเองฟังด้วยครับผมรู้ว่าคุณให้ผู้คนโฟกัสในเรื่องเหล่านี้ การสำนึกรู้คุณได้เปิดประตูสู่ความมั่งคั่งบริบูรณ์เมื่อผมรู้สึกสำนึกรู้คุณต่อสิ่งที่ผมมีเรียบร้อยแล้วผมจะรู้สึกได้รับการเติมเต็มและเบิกบานและถ้าคุณมีการสำนึกรู้คุณแล้วล่ะก็คุณไม่มีทางพบกับความเป็นปฏิปักษ์ในเวลาเดียวกันได้เลยคุณคิดว่าการแพทย์ในอนาคตจะเป็นยังไงครับผมคิดว่ามันคือการพิจารณาตัวเอง หมายถึงอะไรครับทำสมาธิเหรอและโยคะด้วยและฝึกกระตุ้นระบบประสาทเวกัสสร้างภาวะความเชื่อมโยงกายและใจไทเก็กจี้กงศิลปะป้องกันตัวรู้วิธีคุมจิตใจและร่างกายเป็นหนึ่งเดียวกันและเพิ่มเติมจากนั้นด้วยพวกเราคือภูมิปัญญาประดิษฐ์และเราเป็นเทคโนโลยีที่น่าอัศจรรย์ที่สุดที่สามารถขยายการพิจารณาออกไปให้กว้างขวางได้ มีข้อมูลอยู่แล้วที่จะให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆที่เป็นออสซิสติกผ่านทางอุปกรณ์ VR โดยการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกทางสีหน้าและแจ้งผลกลับคืนมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าการเต็มเปี่ยมทางอารมณ์ที่จะเป็นแบบไหนก็ได้หรือคุณอาจเปลี่ยนภาพของคนที่มีภาวะไม่อยากอาหารเมื่อเขาได้มองในกระจกหรือคุณอาจกาจัดโรค ก, กลัวทั้งหลายด้วยอุปกรณ์ VR หรืออาการผิวไหม ซึ่งพวกเขาสามารถได้รับประสบการณ์ความเย็นมีตัวคุณอยู่ในหิมะหรืออะไรแบบนั้นผ่านการใช้อุปกรณ์ VR ซึ่งมีประสิทธิภาพในการรักษามากกว่าแบบอื่นๆที่ผมเห็นคือเมื่อเราออกจากทางเดิมๆผ่าน AI ได้มากเท่าไหร่ที่จริงแล้วตัวผมก็มีเวอร์ชั่น AI ของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่ผมจะได้ทาในสิ่งที่ตัวเองยังทาอยู่ในเวลาที่ผมได้ตายจากไปแล้ว ผมยังทุ่มเทกับ VR ด้วยและได้รับประสบการณ์ที่ดื่มดำผ่านภาพจำลองเสมือนจริงเพราะผมเชื่อว่าที่จริงแล้วเราก็อยู่ในการจำลองเสมือนจริงอยู่แล้วและเราสามารถดัดแปลงมันได้ผมคิดว่าการแพทย์แห่งอนาคตจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่มหัศจรรย์ที่สุดพร้อมกับความเข้าใจในเรื่องจิตสานึกที่มหัศจรรย์ที่สุดอะไรคือผลกระทบที่คุณอยากมีต่อโลกใบนี้ครับ ผมแค่อยากให้คนพูดว่าเคยมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เขาตายไปแล้วเรามาลองดูซิว่าเขาเหลืออะไรไว้บ้างและวิธีการที่เขาใช้สารวจต่อไปคืออะไรรู้ไหมครับการเดินทางไม่มีวันจบหรอกจุดที่เราควรอยู่ที่สุดก็คือปัจจุบันขณะหรือจุดนี้เท่านั้นเองเอาละครับทุกท่านโลกอันกว้างใหญ่คือสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ได้สร้างไว้ผมพูดคาว่าเขาสร้างบ้านไม่ได้เลย เพราะสิ่งที่เขาเขียนมันกระจายไปหลายหัวข้อมากรวมทั้งช่วยขยายและการรับรู้เรื่องอัธวิภาวะให้แก่ผู้คนจำนวนมากรวมทั้งช่วยเหลือคนอีกนับไม่ถ้วนในการคิดในรูปแบบใหม่คุณอาจเปรียบเทียบเขาว่าเป็น LSD ในรูปกายมนุษย์ก็ได้ผมขอสนับสนุนให้คุณทุกคนนะครับลองเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับจิตสานึกและหวังว่าจะจบความทุกข์ของมวลมนุษย์ได้